เราต้องเปลี่ยนทัศนคติได้แล้วการใช้น้ําก็เหมือนกันนะสมัยก่อนเนะี่ยคนเฒ่าคนแก่คนไทยสมัยก่อนมีน้ําเยอะเหลือเฟือแต่ว่าก็ใช้น้ําอย่างประหยัดล้างจานเสร็จซักเสื้อผ้าเสร็จก็เอาน้ำนั่นแนหะเอาไปลดหญ้ า, าไปลดต้นไม้อันเนือยหน่อยคือต้องขนน้ำนะต้องขนน้ําต้องแบกน้ําไปลดแต่ว่าก็เป็นการใช้ประโยชน์เรียกว่ารีไซเคิลหรือว่ารียูส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 ร้อนกาย 30% ร้อนใจ 70% แต่ถ้ามีสติทําให้ใจเย็นได้เนี่ยความทุกข์ก็เหลือแค่สามสิบอรตมาพูดได้เพราะว่าชวนคนเดินธรรมญาติาทุกปีทุกปีกลางแดดเนี่ยพอบอกเตือนใจเขาว่าเนี่ยเหนื่อยกายอย่าไปเหนื่อยใจร้อนกายจะไปร้อนใจพอฝึกให้ใจนี่เย็นได้เนี่ยมันก็เดินได้นานขึ้นแล้วก็ยิ้มได้มากขึ้น